ด้วยกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินชีวิตครอบครัว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 เพื่อนให้โอกาสเพื่อนเสมอสำนักงานปปสกระทรวงยุติธรรมหมอบสลายที่ปลาย 4 ความเดิมตอนที่แล้วพอแอบเข้าไปขโมยของที่ ที่กำลังท้องแก่ไม่สบาย ไม่รับเย็บเลยเราพี่แท้อีตานี่เป็นครูใหญ่จํา ที่เห็นครูคือคนเดียวกันค่ะพี่หมอไม่ใช่หรอกอืมพอ ผมไม่อยากจะแบกไอ้ฮ่อครูใหญ่ปะเอ่อก่อกวนที่อนามัยของฉันมัน ขอบคุณค่ะขอบคุณในความหวังดีค่ะแต่ฉัน แล้วคุณหมอคนเก่งจะทำยังไง หรือสมมุติว่าถ้า... หมอไปตัวประกัน ถึงแลนเดอร์แทนหมอท้วนคนเนี้ยนี่ทําไมรู้ว่าเป็นหมอนะฉันอาจจะคิด คือคือฉันอุตส่าห์อธิบายให้เหตุผลยังไงยังไงนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำ สงสัยฉัน เท่าที่เห็นครุ่งใหญ่คนใหม่เนี่ยท่าทางก็เป็นๆกับแกนน่ะสิยัย นี่แกไม่อยากได้เป็นพวกในๆเลย ไม่แต่เราต้องได้ความร่วมมือจากทุกคนที่นี่เข้าคนเดียวแม่ว่าทีแรกแล้วหวั่น หวันแม่ยังเป็นแม่ที่เก่งใจแล้วค่ะหวันแต่ๆ อบอุ้มลูก เดี๋ยวครูดารณีที่ครูดวงใจครูดารณีมีโทษอะไรกับผม ครูใหญ่ไม่ต้องมองมาทันนี้อย่าเพ้อเป็นตุ๊กแกกิน ก็คิดว่ายังตกใจไม่หายคิดไปยังตกใจไม่หายแต่ตอนหลังๆ น่าจะลงมือทําอะไร ดร. คุณดารุณีกฤตบุญญาลัยเมื่อลูกพลาดครั้ง สวัสตีครับพ่อสวัสตีครับแม่ แกเห็นฉันทุกวันจะมาzew่ายกันทราอะไรว่ายน augment ครูสอนให้ว่ายพ่อกกับแมAHก่อนไปลงเรียน แล้วก็ว่ายสวัสตีตอนกลับจากลงเรียนด้วยจ๊ะใส uncertainty ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่น่าพี่โนบจะว่ารูกทำไมคู่เขาศอนให้หน่อยเป็นเด็กเรื่อปรอยกินยามรายไม voulezนะดี พี่โนบน่าจะชอบใจเรา น่าไปไม่ต้องยุ่งวุ่นวายยาให้เอามาหรือมันเรียกว่ายาขยันไม่ใช่ยาบ้าขอที่อนามัยก็ นี่นะทํามันไม่แพงจนเกินไปนะแม่ๆเรื่อง เนี่ยทำไมพองเป็น ไอ้สวัสดีค่ะเออไหว้พระเธอว่านางหนูโอ๊ยพ่อเออผู้ใหญ่เค้ากําลังคุย จะมาดูสิทาเลนซ์เป็นลิงหลอกเจ้าอยู่ไม่ได้แหะน่ะ พี่ป่วยกันเป็นแถวเลยเหรอเนี่ยอย่างน้อย อ่ามีปัญหาอะไรก็บอกมาเดี๋ยวนี้ปัญหาอะไร ดวงพากันกลับไปพากันกลับไปฉันก็เห็นเฉพาะ ดีมากๆเวลาถ้าทําได้น่ะแล้วพี่กํานันคิดหรือเฮ้ย ลูบหน้ามันก็ปัดจมูกกันอยู่รําไป นีนึกได้แล้วนึกได้แล้วครูใหญ่มีแนว ดีใจจังฉันไปรับเสี่ยก่อนดีกว่าน้องสาว ไอ้กินงามเวลใช้มาพูดมากอะไรที ไม่มีอะไรหรอกเตี่ยนอกจากไอ้เพี้ยนมันเสี้ยนยาบ้าเพราะ มีจานน้ําแล้วก็ผ้าเย็นจ้ะชิงใจแล้วยังมันๆ ทำให้คนที่เคยดีๆอืมเอากระเป๋าเตยขึ้นอืมไงงั้นหนูเอาไปเก็บ เลื้อดาเดี๋ยวจะไม่สบายใจได้ยิงนะเดี๋ยวจะไม่สบายใจแล้วเตรียมไปติด พูดเลยจะมอดมาไอ้ช่าง ผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยเมื่อ น้ำผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาธรภาธิพัฒนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานอาสาควบคุมเสียงอาทร